บุ๊ก <Book> 2ห้าสิบห้าสที่สะว่ายน้ําプลเดวันนี้อากาศร้อน今日は暑いですねเราไปสระว่ายน้ํากันไหมพูลนี้ไปกましょうか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 更衣室はどこですか。ウェンタワイナムはどこですか。水中メガネはどこですか。水は深いですか。水は深いですか。水はきれいですか。水はきれいですか。水は温かいですか。水は暖かいですか。 ผมหนาวมากน้ำเย็นเกินไปผมจะขึ้นจากน้ำแล้วกรุณาไปที่ www.booktwo.de